ใครที่มาพร้อมแล้วก็นัน่งก่อนเลยนั่งคูบาลังตั้งกายตรงอันเนี้ยคำของพระเจ้าเนี่ยให้เข้าให้ส ซ, ซื่อไปตามนั้นนะอย่าไปหาเหตุผลอะไรมาจะถามว่า ซ, ซื่อไปเลยนั่งคูบาลังคือม้วนขาเป็นวงที่ถนัดตั้งกายให้ตรงให้ร่างกายมันตั้งตรง หน้าไม่เชิดมากไม่คมมากอเอาแค่พอดีพอดีที่มันสบายสบายเก็บมือเรียบร้อยมือขวาซ้อนบนมือซ้ายให้สบายสบายต่างกายให้ตรงดำรงสติอยู่เฉพาะหน้าสติคือความรู้สึกของเราตอนนี้ให้มาอยู่เฉพาะหน้าในขณะนี้หยุดอยู่กับทุกเรื่องทีนี้เราไม่มีอะไรอื่นหนขณะนี้ไม่มีอะไรเลยมีแค่ชีวิตที่ตั้งอยู่ตรงนี้ แม้แต่ชื่อก็ไม่มีให้มันระลึกลงไปไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นมันเป็นแค่ชีวิตที่มีกายและใจตั้งอยู่ตรงนี้ในวงกลมมีรัศมีประมาณไม่เกินหนึ่งเม็ดแค่นี้ชีวิตนี้มันปรากฏมาตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ก็มีแค่กายแก่ใจโตมาจานป่านี้ถึงตอนนี้มันก็มีแค่กายแก่ใจ ไม่มีอะไรเลยมันตั้งอยู่ตรงนี้รู้เฉพาะหน้าตรงนี้จากนั้นก็ยกจิตเข้าไปเพื่อที่จะรู้ลมหายใจจัดการกับลมหายใจของตนเองให้ลมหายใจมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกจนทางร่องมันลื่นจากนั้นก็เอาจิตไปวางเพื่อให้เกิดความรู้ ต่อลมหายใจที่เคลื่อนที่กระทบเหนือริมฝีปากบนแต่แถวบริเวณต้นต้นของปรงจมูกหายใจเข้าให้สุดแล้วก็ปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาพร้อมกับจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจที่ไหลออกแรกแรก็ปรับลมหายใจยาวๆเพื่อให้สัปา ย, ยะให้มันเกิดความสบาย เรารู้ลมหายใจที่ไหลออกและรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าปรับให้มันสบาย พอมันรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้าได้ก็ปรับดูสิว่าลมหายใจออกให้ยาวกว่านั้นได้ไหมปรับลมหายใจให้มันยาวกว่านั้นอีกหน่อยเพราะช่วงลมหายใจที่ยาวมันจะทำให้จิตรู้ลมหายใจมีระยะนานขึ้นในแต่ละช่วงช่วงของการหายใจออกก็ดีช่วงของการหายใจเข้าก็ดีถ้าเราปรับลมหายใจออกให้มันยาว แต่ยาวแบบสบายๆจิตที่รู้ลมหายใจมันจะมีช่วงในการรู้ยาวขึ้นไม่รีบร้อนไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลใดๆแม้กระทั่งการเวลาเวทนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกเรื่องราวในโลกตัวเราชีวิตเราในขณะนี้มีแค่นี้มีแค่กายแค่ใจและมันจะทากิจอยู่แค่นี้คือมีลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้ และมีจิตที่รู้ลมหายใจอะไรจะเกิดฝนจะตกค้าจะผ่าดินจะตะหลงคว้าจะทะลายไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปรำพึงเราแค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าได้ใช้การจัดการบริหารลมหายใจของเราให้มันยาวออกไปกว่าปกติเพื่อที่จะให้จิตที่รู้นั้นมีระยะในการรู้ยาวขึ้น จะปรับลมหายใจให้เบาลงมาในระดับกลางๆไม่เบามากแต่ไม่ให้มันแรงมากเพื่อปรับให้เขาได้ยาวเพราะเมื่อลมยาวจิตที่รู้นั้นก็จะมีระยะในการรู้ที่นานขึ้น ถ้ารู้ไม่ค่อยชัดเราก็หายใจเข้าให้สุดแล้วก็หยุดการหายใจไว้ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกแล้วปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาช้าๆพร้อมจิตที่รู้สึกต่อลมหายใจนั้นตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมและจนสุดลมหายใจจากนั้นก็รู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้า ไม่ต้องใส่ความคิดเข้าไปสู่เรื่องใดๆในขณะที่ลมหายใจไหลออกในขณะที่ลมหายใจไหลเข้าให้จิตรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลเข้าในขณะที่ลมหายใจไหลออกจิตรู้และไม่ต้องไปกังวลว่าลมที่ออกนั้นมันออกไปไหนในขณะที่ลมหายใจไหลเข้า จิตรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าแต่ไม่ต้องกังวลว่าลมที่หายใจเข้ามันไปไหนถึงไหนนั่นหมายความว่าเราไม่วิ่งตามลมหายใจเมื่อลมหายใจออกก็แค่รู้ลมหายใจที่ไหลออกไม่ต้องไปกังวลว่าลมที่หายใจออกนั้นมันมาจากตรงไหนเราแค่รู้อยู่จุดเดียวขนาดที่ลมที่ไหลออกเมื่อรู้ลมหายใจที่ไหลเข้า ก็แค่รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าณจุดนั้นไม่ต้องไปกังวลว่าลมที่หายใจเข้านั้นมาจากไหนเมื่อลมหายใจเริ่มเลื่อนไหลเลื่อนไหลออกเราก็รู้ พอจิตรู้ลมหายใจที่ไหลออกได้ชัดรู้ลมหายใจเข้าที่ไหลออกไหลเข้าได้ชัดน้อมใจเข้าไปเพื่อการรู้ลมหายใจวางกายนิ่งมีกายเหมือนไม่มีรู้กายนั่งอยู่ตั้งอยู่แต่ไม่เคลื่อนไหวไม่เอ็นไม่เอียงไม่ขยับมีเวทนาเกิดก็รู้ว่ามีเวทนาเกิด กำลังของความโน้มใจกำลังของความตั้งใจกำลังของจิตที่มันรู้ระลึกต่อลมหายใจนั้นมีกำลังมากเ ว, าเวทนาที่เกิดก็ตั้งอยู่อย่างนั้น สภาพของจิตหลุดพ้นออกมาจากการครอบงำของสิ่งตั้งปวงเหลืออยู่เพีเพียงลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้กับจิตที่รู้ลมหายใจกิริยาของลมที่เคลื่อนออกกิริยาของลมที่เคลื่อนเข้าจิตเพียงแค่รู้ต่อลมหายใจที่เคลื่อนออกและเคลื่อนเข้านั้น อย่างเป็นธรรมชาติแล้วก็น้อมใจเข้าไปน้อมใจเข้าไปเพื่อให้รู้ลมนั้นที่ละเอียดและสุขขุมปราณิดเข้าไปอีกน้อมก็ไปเพื่อความสุขขุมปราณิดลมที่ไหลออกนั้นก็จะสุขขุมปราณิดจะช้าเบายาวจิตก็รู้เข้าไปอย่างนั้น บางครั้งลมหายใจของเรามันถี่ระหว่างคู่ห็นหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวบางครั้งมันก็หยุดเว้นระยะในระหว่างที่เขาหยุดเว้นระยะนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็อยู่กับความหยุดนิ่งของการเว้นระยะเรียกว่าอยู่กับลมหายใจหยุดเมื่อเรารู้ลมหายใจยาวแล้วน้อมบีบเข้าไปให้เบาละเอียด กว่าที่มันเป็นลมหายใจก็จะเบายาวราบรื่นทั้งออกและเข้าพอ ร, ารู้ลมหายใจออกยาวสุดสภาวะที่เกิดนักขณะนั้นบางครั้งมันมีความหยุดนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวของลมเข้าเราก็รู้ความนิ่งการที่ลมหายใจมันหยุดรู้ในสภาวะที่ลมหายใจมันหยุด และเมื่อลมหายใจไหลเข้าก็รู้ลมหายใจที่ไหลเข้าเข้าไปถ้าลมหายใจที่ไหลเข้ามันมาด้วยความอัดอั้นเพราะความวิตกความกังวลเราก็ไปดูลมหายใจยาวที่ไหลออกให้ชัดน้อมใจเข้าไปทำให้มันปราณีต ทำลมให้ปราณีตให้ปราณีตในที่นี้หมายความว่ามันเบาบางยาวเรียบเสมอแต่มันชัดที่ท่านว่าสั้นโตปนีโตอาเซจนโกนั่นแหละสังหบสังหบในที่นี้คือมันราบเรียบ ปราณีตคือมันละเอียดละเอียดจากการที่จิตเข้าไปรู้และเห็นความเป็นธรรมชาติของลมที่มันโปร่งเบาละเอียดและก็ยาวสิ่งที่จิตรู้เข้าไปเห็นถึงเนื้อลมที่กำลังไหลออกถึงเนื้อลมที่กำลังไหลเข้า ตั้งแต่ต้นลมกลางล ม, ลมปลายลมจนสุดลมหายใจแล้วจิตปลดเปลื้องภาระนอกสิ่งใดๆก็ตามที่จะเข้ามาเกาะ อ, อยู่กับจิตอันนอกเหนือจากการอย่างระลึกลมหายใจแล้วจิตต้องเปลื้องออก ไปก่อนเพื่อที่จะคว้าวดูรู้ลมหายใจที่ไลลออกคว้าวดูรู้ลมหายใจที่ไลเข้า พอลมหายใจไหลออกสุดเกิดสภาวะหยุดเราก็รู้ลมหายใจที่ไหลหยุดนั้นรู้ลมหยุดนิ่งๆเมื่อลมหายใจไหลเข้าเกิดขึ้นเราก็รู้ลมหายใจเข้าที่เกิดขึ้นนั้น ลมหยุดจะเริ่มเกิดขึ้นชัดตอนลมหายใจไหลออกสุดให้รู้สภาวะลมหยุดระหว่างที่รู้ลมหยุดจิตจะรอถ้าเกิดการรอว่าเมื่อรอลมที่ไหลเข้าตรงนั้นให้รู้ไว้ว่ามันคือสัญญากับตัณหา เมื่อลมหายใจไหลเข้าสุดจิตรอลมหายใจไหลออกหรือมีการเร่งลมหายใจไหลออกนั่นก็เป็นอำนาจของสัญญาและก็ตัหาจงรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสภาวะแยกออกมาจากจิตที่รู้แยกออกมาจากตัวรู้ตัวสัญญาต้องแยกออกไปจากตัวรู้หรือตัวรู้ต้องแยกออกมาจากตัวสัญญา โดยการดูให้เห็นพอจิตไหลออกพอลมไหลออกจิตรู้อยู่กับลมไหลออกจนสุดลมหายใจที่ไหลออกเกิดสภาวะลมหยุดจิตรู้ลมหยุดรู้นิ่งนิ่งอยู่ที่สภาวะหยุดนั้นสภาวะใดๆที่เกิดขึ้นมันก็แค่เกิดขึ้นจิตไม่ไหลไปปรุงแต่งกับสภาวะที่เกิด เมื่อลมหายใจไหลเข้าเกิดขึ้นจิตก็รู้ลมหายใจนั้นตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมและจนสุดลมหายใจไหลเข้า เมื่อความอิ่มของจิตปรากฏในขณะที่จิตรู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมที่หยุดรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมที่หยุดรู้ลมหายใจออกเกิดสภาวะลมหยุดก็รู้ลมหายใจหยุดเมื่อลมเข้าก็รู้ลมหายใจเข้ารู้ไปเป็นอย่างธรรมชาติแบบนี้ก็เกิดความ ราบรื่นความรื่นเรืองความโน้มใจเข้าไปเมื่อรู้จิตจะรู้สึกนิ่งสงบอยู่กับรู้ต่อลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เกิดอาการอิ่มเย็นอาการสบายก็แค่รู้ว่ามีอาการอิ่มเย็นสบาย เมื่อลมหายใจเข้าเกิดขึ้นก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเกิดขึ้นก็รู้ลมหายใจออกเอาความอิ่มที่เกิดขึ้นนั้นความเย็นที่เกิดขึ้นนั้นโน้มจิตเข้าไปรู้ลมหายใจซึ่งเป็นธรรมชาติที่ละเอียดขึ้น เมื่อลมหายใจออกสุดเกิดสภาวะลมหยุดก็รู้ลมที่หยุดนั้นอย่าปล่อยให้จิตตรงดิง่งลงอยู่กับความหยุดดิ่งลึกลงไปถ้าจิตดิ่งลึกลงไปมันจะไม่อยู่กับลมหายใจแค่รู้อยู่กับ ภาะวะที่ลมหยุดเมื่อลมหายใจเข้าเกิดขึ้นก็รู้ลมหายใจเข้าในสภาวะที่ลมหยุด อุเบกขาจะปรากฏเมื่อลมหายใจไหลเข้าเกิดจิตไปรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าด้วยอุเบกขาเป็นฐานลมนั้นจะเป็นลมเป็นธรรมชาติของกายจิตรู้ตั้งอยู่บนอุเบกขาที่เป็นฐานนั้นเมื่อลมหายใจไหลออกปรากฏ ก็แค่รู้ลมหายใจไหลออกนั้นลมหายใจไหลออกจะเป็นลมธรรมชาติของกายต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจจิตรู้หลีกออกมาจากลมหายใจหลีกออกมาจากการกำหนดลมหายใจรู้ตั้งอยู่กับความนิ่งเมื่อลมหายใจไหลเข้ามาก็รู้เมื่อลมหายใจไหลออกเกิดขึ้นก็รู้ สภาพลมที่หยุดก็รู้สภาวะสภาวะใดๆที่เกิดขึ้นจิตเพียงแค่รู้นิ่งแล้วก็รู้ทุกๆสภาวะที่ปรากฏ ตัวรู้ที่ทำงานในลักษณะที่พร้อมระลึกนั่นเป็นตัวสติตัวรู้ที่ทำงานในลักษณะของการอย่างรู้นั่นเป็นญาณสภาพจิตที่หลีกออกมาจากการกาหนดมีอุเบกขาเป็นฐานให้กับจิตที่รู้อย่างนี้ที่จกล่าวว่าตายะจะสติยาเตนะยาเนนะ สโตปาการีโหติมันจะเจริญสติได้ด้วยการระลึกนั้นด้วยยานนั้นนกคานานั้นสติปฐานภาวนาก็เกิดขึ้น การอย่างระลึกกาไปสู่ลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกระลึกอย่างธรรมชาติในขณะนั้นมันเป็นสติสัมโพชองสติ รู้รายละเอียดในการระลึกต่อลมหายใจที่ไหลออกไหลเข้า ว, ว่ามันเบามันบางมันยาวอย่างไรประนีตอย่างไรวิเคราะห์วิจัยลมหายใจนั้นด้วยสตินั้นอันนั้นเป็นธรรมวิจยะสำโพชง จิตโน้มเข้าไปด้วยความมุ่งมั่นตรงสะอาดต่อการรู้ลมหายใจที่ไหลออกต่อการรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าต่อการวิจัยต่อลมหายใจเหล่านั้นนั่นเป็นวิริยะสามพุทธชง ความคิดอันใดที่ปรากฏจิตต้องเปลืองออกไปให้จิตเปลืองออกไปวิธีเปลืองก็คือว่าเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นด้วยเหตุและปัจจัยดับไปด้วยเหตุและปัจจัยเมื่อดับไปนั่นคือการเปลืองออกไปเห็นมันดับไปนั่นคือการเปลื้องออกไป เมื่อลมหายใจไหลเข้าปรากฏก็รู้ลมหายใจไหลเข้าอย่างเป็นธรรมชาติอย่างนั้นเจตนาตัวเจตนา ที่จะเข้าไปรู้ลมหายใจมันหายไปจิตเพียงแค่รอรู้จิตเพียงแค่เข้าไปรู้ลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนักขณะนั้นของลมหายใจไหลออกเจตนาที่จะเข้าไปรู้มันหายไปจิตรู้ มีการอย่างระลึกและมีการรู้อย่างเป็นธรรมชาติเจตนาที่จะเข้าไปรู้ก็เกิดขึ้นก่อนที่จะจิตตนที่จะมีการรู้ลมหายใจนั้นเจตนานั้นเป็นจิตสังขาร แต่เมื่อจิตเดิอนออกจากลมหายใจอยู่กับสภาวะที่ความนิ่งหรือลมหายใจหยุดจิตไม่มีเจตนาที่จะเข้าไปรู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไม่รอลมหายใจที่ไหลเข้าวความรู้นิ่งอยู่กับความที่ลมมันหยุดและลมหายใจก็เกิดขึ้นจิตก็รู้ลมหายใจที่เกิดขึ้นนั้น โดยไม่อาศัยกําลังของเจตนากิริยานั้นจึงเป็นธรรมชาติที่ไม่เกาอเกี่ยวกันระหว่างจิตลมหายใจและการรู้การระลึกต่างก็เป็นธรรมชาติของตัวเองไม่ทําหน้าที่กาอเกี่ยวกันลมไม่ใช่ของจิตจิตไม่ใช่ของรู้ รู้ไม่ใช่ลมไม่ใช่จิตล้นเป็นธรรมชาติที่ทรงตัวอยู่ เมื่อลมหายใจหยุดจิตรู้อยู่กับลมหายใจหยุดนั้นนิ่งเยน็นสบายเมื่อลมหายใจเข้ามาจิตรู้ลมหายใจไหลเข้าตั้งแต่ต้นลมกลางลมปลายลมจนสุดลมหายใจที่ไหลเข้าอย่างนั้นอย่างเป็นธรรมชาติความอิ่มของจิตหายไปกลับเกิดเป็นความปรามโมช ความประโมดเป็นความร่าเริงอ่อนๆเกิดขึ้นมันรื่นไหลยเย็นนิ่งสบายในขณะที่รู้ลมหายใจไหลออกรู้ลมหายใจไหลเข้า ลมหายใจที่เรารู้อยู่นั้นไม่ใช่เราลมหายใจไหลออกที่เรารู้อยู่นั้นไม่ใช่ของเราลมหายใจออกที่กาลังไหลยอยู่นั้นเป็นเพียงธรรมชาติอย่างหนึ่งในนั้นไม่มีเราเราไม่ได้อยู่ในลมหายใจนั้นเขาก็เกิดขึ้นแล้วก็เคลื่อนออกแล้วก็ดับไป ลมหายใจเข้าที่เรารู้อยู่นั้นไม่ใช่เราลมหายใจเข้านั้นไม่ใช่ของเราเราไม่มีอยู่ในลมหายใจที่ไหลเข้านั้นและลมหายใจเข้านั้นก็ไม่มีในเราต่างเป็นธรรมชาติที่แยกออกจากกันลมหายใจเข้านั้นเริ่มต้นที่เกิดขึ้นเคลื่อนเข้าไปข้างในตั้งอยู่ก็มีความลื่นไหลเข้าไป แล้วก็ดับไปด้วยการหยุดการเคลื่อนไหวลมหายใจเข้าจึงชื่อว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปลมหายใจออกก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่ถูกรู้คือลมหายใจไหลออกลมหายใจไหลเข้าเป็นสภาวะที่มีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป สภาวะอันใดเกิดขึ้นนขณะนี้ให้รู้ดูเพียงแค่เกิดขึ้นและก็ดับไปสภาวะใดเกิดก็รู้ว่าเกิดไม่ไปขยายความด้วยอำนาจของสัญญาใดๆรู้ตามความเป็นจริงว่าเกิดเมื่อดับก็รู้ตามความเป็นจริงว่าดับเมื่อลมหายใจเข้าเกิดก็รู้ลมหายใจเข้าอย่างธรรมชาติ ลมหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกอย่างธรรมชาติสภาวะใดเกิดก็รู้ตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นสภาวะใดดับก็รู้ตามความเป็นจริงที่ดับรู้นี้จะมีอุเบกขาเป็นฐานสิ่งทั้งปวงที่ปรากฏที่เป็นสภาวะก็แค่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ตอนนี้ลมหายใจไม่เป็นสั้นไม่เป็นยาวเป็นลมหายใจปกติตามธรรมชาติยาวก็ได้สั้นก็ได้ตามแต่ร่างกายก็ต้องการมันเคลื่อนไหลตามธรรมชาติของร่างกายเรารู้ตามที่เป็นจริงที่ปรากฏอย่างนั้น พอลมหาใจมันหยุดแล้วจิตมันนิ่งอย่าปล่อยมันไหลลึกลงไปพอมันไหลลึกลงไปแล้วอำนาจของสัญญาก็จะมาแค่รู้ความหยุดนิ่งนั้นเท่านั้น ค่อยๆยกจิตไปรู้สึกที่ปลายนิ้วมือข้างขวารู้สึกที่ปลายนิ้วมือข้างขวาขยับปลายนิ้วมือขวาให้จิตรู้สึกยกจิตไปที่นิ้วมือข้างซ้ายขยับปลายนิ้วมือซ้ายให้จิตรู้สึกยกมือขวาขึ้นช้าๆเอามาวางไว้ที่เข่าข้างขวา ยกมือซ้ายขึ้น ช, าชา้าๆมาวางไว้ที่ข้อข้างซ้ายอย่าเพิ่งเลือมตานะให้อยู่ในสมาธิดีนี่แต่เราก็ประดมมือขึ้นมาจะ <c oughs> สร้างความดีแก่โลกเราลึกถึงคุณงามความดีทั้งหมดที่ได้ทำในวันนี้ ตั้งต้นตั้งแต่ตั้งใจจะมาเพื่อปฏิบัติธรรมไหว้พระรับศีลควัางธรรมในตอนเช้านั่งสมาธิภาวนาในตอนเช้าจิตรู้เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นและดับไปในตอนเช้าการอนุมโมทาน และการให้ทานเป็นเจ้าภาพอาหารและการอนุโบทนาต่อเจ้าภาพทั้งหลายความทมในตอนบ่ายและเจริญภาวนาในตอนบ่ายนี้ทั้งบทเป็นมหากุศลรวมกันเป็นมหากุศลานุภาพเป็นอนุภาพแห่งบุญยิ่งใหญ่ที่ตั้งขึ้นทิ่ใจ ปรากฏเป็นภายในอยู่ที่ใจของเราเป็นพลังที่สว่างและก็เย็นเราจะแผ่พลังแห่งมหากูุสลอันยิ่งใหญ่ในใจของเรานี้เริ่มต้นจากตัวของเราและให้กระจาย โดยอนุภาพแห่งบุญแผ่ออกไปกระเพื่อมออกไปกระเพื่อมออกไปราดรดสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ให้แผ่ออกไปแผ่ออกไปสัตว์เราใดที่มีทุกข์ขอให้้นจากทุกส่วนผู้ใดที่มีสุขอยู่แล้วก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปขอสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขกายสุขใจ แผ่ออกไปแผ่ออกไปไม่มีขอบไม่มีประมาณแผ่ออกไปในสัตว์ของกำเดิดทั้งสี่เกิดในคันคือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งมนุษย์สัตว์เดรยจชานสัตว์น้าสัตว์บกเกิดในไข่สัตว์ที่ต้องตกฟองไข่ออกมา สองสามฟองบ้างสี่ห้าฟองบ้างสิบคองบ้างยี่สิบองบ้างหรือตกทีเป็นร้อยร้อยฟองก็ตามเกิดในเท่าใครคือสัตว์หมูน่นอนทั้งหลายเกิดปุดขึ้นเป็นโอปาติกากรรมเดิดตั้งต้นตั้งแต่สัตว์นรกอสุรกายคนทันรุกเทวดาภูมิเทวดาประภูมิเจ้าที่ทั้งที่อยู่ที่นี่ อากาสัตเทวดาเทวดาชันจาตุมมหาราชชันดาวดึงชันยามาชันดุสิตชันนิมมารดีและชันปารณิมิตรสวดีตลอดไปจนถึงชั้นพรหมทั้งรูปพรหมและอารูปพรหมหมดทัวทุกภพทุกภูมิขอมาหากุศลเหล่านี้ จงเป็นตบะเตชะพลวะปัจจัยอํานวยอวยชัยทรงผลให้สัตว์เหล่านั้นได้มีโอกาสใกล้ชิดพระรัตนตรัยและมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนและในพระอริยสรงทั้งหลายนำพาชีวิตให้มั่นคงอยู่ในแนวทางที่ชื่อว่ามัขคปฏิบัติ อันเป็นทางเข้าไปสู่สัมโพธิมุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอย่างแท้จริงได้ทั่วกันทุกรูปทุกท่านเตืนอนลืมตาได้ใช้ได้วันนี้วันนี้หลายคนได้ความรู้อย่างหนึ่งเมื่อจิตรู้ตั้งอยู่บนอุเบกขา แม้มีเวทนาปวดนี่พอเราออกมาถึงปั๊บราแทบจะทนไม่ได้แต่เมื่อตอกี้ทําไมมันทนได้นี่เป็นความรู้ที่เราต้องคําความเข้าใจว่ากําลังของความรู้ที่มีกําลังของสติและกําลังของสมาธิมากกว่ากําลังของเวทนาพอเราออกมาจากสมาธิใช่ไหมเราออกจากสมาธิแล้ว ติดเปิดพร้อมที่จะไปสวยอารมณ์อยู่กับอะไรก็ได้ก็ตกอยู่ใต้อำนาจของเวทนารู้สึกปวดมากคนระับปูอดโอดยปวดเหลือเกินน่ะอารมณ์นี้คล้ายๆกับเวลาเราจะตายฝึกให้ได้อย่างนี้บ่อยๆแล้วเราจะไปเจอเวทนาก่อนเราจะตายหรือใครไม่อยากเจอ เวทนาก่อนเราจะตายเป็นเวทนาที่แรงมากเนี่ยพกหมอบางทีมันก็ไม่เชื่อน้ํายาของคนปฏิบัติธรรมบางคนเพราะอะไรเพราะหมอไปรักษาคนไข้โอ๊ยปฏิบัติธรรมเจริญสติจเจริญกรรมาฐานมานานพอจะใกล้าตายโอดครวนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ ย, อ ย, อยแล้วตายไปกับความเจ็บปวดทรมานนี่ไปอภัยขนาด นี่ขู่ไว้ก่อนฮะขู่ไว้ก่อนความรู้ที่เกิดขึ้นอย่างนี้เราสามารถสะสมไว้ให้เป็นกำลังและไปใช้ตอนใกล้ตายสบายเพราะอะไรเพราะเมื่อกำลังของสติและสมาธิมีกาลังอยู่กับรู้นั้นอะไปถึงตอนนั้นจิตหลีกออกมาจากลมหายใจหมายความว่าอะไรหมายความว่าลมหายใจจะมีหรือไม่มีไม่เป็นไร อย่างลมหายใจมานิดหนึ่งจึ๊มันก็รู้นิดหนึ่งลมหายใจเข้านิดนึงมันก็รู้นิดหนึ่งลมหายใจออกยาวไปหน่อยมันก็รู้ยาวไปหน่อยลมหายใจจะเข้ายาวไปหน่อยมันก็รู้ยาวรู้ตั้งอยู่บนเวขาเป็นแบบนี้อ้ ه, วาวเวทนาอยู่ตรงไหนล่ะมันเกิดตรงขาก็รู้ว่ามันเกิดตรงขาแต่มันทําอะไรไม่ได้นี่เรียกว่าความตั้งมั่นเนี่ยสุสมาฮิโต ก็ตั้งมั่นดีแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยเราต้องฝึกให้จิตเรามีประสบการณ์อย่างนี้บ่อยๆแล้วเราไปใช้กับอะไรได้ในชีวิตประจำวันไปใช้ชีวิตประจำวันเราใช้ให้เขากั้นกระแสนี่เป็นการใช้กั้นกระแสคือเราต้องมาใช้ถ้าเราฝึกจนการกั้นกระแสนี้เป็นธรรมชาติเขาเขาเรียกว่าโสดาบันโสดาบันแปลว่าอะไรโสตานแปลว่ากระแส โซดาบันก็ถึงกระแสคือไม่ต้องเอามาใช้แล้วมันถึงกระแสแล้วแต่เราเนี่ยเอามาใช้เพื่อต้องการให้กั้นกระแสในชีวิตประจําวันกั้นอะไรกั้นในการที่จิตเข้าไปเสวยอารมณ์จิตผูกโกรธจิตอาฆาตจิตพยาบาทจิตรังเกียจจิตเดือดฉันจิตโลภจิตอิจฉาริษยาจิตทุกทุกจิตที่มันเกิดเป็นอา kuson เราเอาอันนี้ไปใช้เพื่อกั้นกระแสว่าฮอมันเกิดแล้ว กั้นไว้กั้นกระแสของบาปประรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นกับจิตของเราเอาตัวนี้ไปใช้กั้นไว้พอกั้นปั๊บมันเห็นอา้ามันจะเกิดอ๋อนี่มันกำลังเกิดอยู่นี่พอเราแค่อะไรก็ตามที่เรารู้ว่ามันกาลังเกิดอยู่อะเราจะไม่เป็นทาสมันที่เราเป็นทาสมันคือเราทาไปแล้วมันขยี้จิตจนละเอียดเละแล้ว พอมันขยี้จิตเราเละไปแล้วเนี่ยมันมีอานาจเหนือเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามาใช้เนี่ยความรู้ลวกเนี่ยเอามาใชา้ผมมาเกิดปั๊บเนี่ยปั๊บใช้เลยจิตเข้าไปสู่ลมหายใจตั้งปึ๊ดูสิเอออ๋ อ, อไอ้นี่มันมันย้อนอดีตหรือมันไปอนาคตมันกําลังจะผูกโกรธหรือมันกําลังจะทําอะไรของมันเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยกั้นไว กันไว้แล้วก็ดูทีนี้พวกนิวรณ์ทั้งหลายเลหรืออกุศลทั้งปวงที่ถูกสติกับสมาธิกั้นกระแสอนิไวและเขาตั้งอยู่นั้นไม่นานเดี๋ยวมันดับเพราะมันเป็นสภาวะที่เป็นธรรมชาติของมันคือเกิดเพราะเหตุปัจจัยและดับไปเพราะเหตุปัจจัยคือมีการเกิดขึ้นและการดับไปเป็นปกติเลยเราไม่ต้องไปดับมันแต่เราไปพยายามดับมันนะตาย เพราะว่ามันดับของมันอยู่แล้วเราไม่ต้องไปพยายามดับมันเพียงแค่เรามั่นคงตั้งมั่นอยู่บนอเบกขาแล้วก็รู้แล้วก็กั้นกระแสมันไว้เราเห็นปั๊บหนึ่งใครไม่เคยอิจฉาริธยาไม่รู้นะไม่มีแหมมีไหมไม่มีไม่กล้า ย, ยกมือแล้ว <laughs> มันก็ต้องอิจฉามั่งเลยใครไม่ผูกโกรธพระเจ้าบอกว่าเชตวานักทิง อันเนี้ยมันจะต้องไปตัดความผูกโกรธก่อนเจตวาแปลว่าตัดนัดทิงแปลว่าความผูกโกรธเจตวานักทิ่งคือต้องไปตัดความผูกโกรธ ถ, ถ้าไปตัดอาการกระแสตัวนี้ไปตัดความผูกโกรธก่อนเพราะมันจะเกิดบ่อยไม่ชอบไม่ชอบคนนี้ห่างกันมาตั้งนานแล้วอยู่ๆนึกถึงเกลียดปับ๊บมาจากความผูกโกรธ เรอดูข่าวเมื่อก่อนเคยทามานด้วยกันด้วยก็ข่าวออกทีวีเ้ยเดี๋ยวนี้ได้ดิบได้ดีเป็นนั่งแท่นเป็นผู้อำนวยการนั่นผู้อหนวยการที่เกียดปึ๊กอย่างเงี้ยไอ้นี่ะรีบกั้นแล้วดูไว้หามาแล้วนับถิงต้องตัดเอากระแสะมาตัดตัดตัดการตัดกระแสะของอกุศลหรือบาปมารมเป็นศิลปะชั้นสูงของนักภาวนาและเราจะต้องเป็นนะ เราจะต้องเป็นถ้าเราไม่เป็นเราจะได้แค่ทารอบอุยวันนี้วันอาทิตย์อยสบายวันนี้เป็นอยปนั่งสมาธิหลวงพ่อพาทังตอนเช้าหลงเสวบงตอนบ่ายอีกหนึ่งเจ้าบงควางเทศอีกั้งวันเลยนี่รอบมันได้อะไรบ้างเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมเกลียดเหมือนเดิมอิจาริศยาเหมือนเดิมก็ได้แค่ทารอบใช่ไอเราไม่ทายเราไม่เอาอย่างนั้นเราจะต้องใช้ เอาอารมณ์ภาวนาพวกนี้ไปใช้ในชีวิตจริงให้ได้โกรธกันบ่อยไหมยกตัวอย่างถ้าโกรธกันบ่อยนะดูเรื่องอะไรที่มันโกรธกันบ่อยนะตัดไม่ใช่ตัดคนเลยบางคนพยายามจะไปตัดคนโน้นตัดคนนี้คืออํานาจของกิเลสมันตัดคนตัดไม่ได้มันก็ฆ่าคนใช่ไหมอํานาจของกิเลสแต่เราไม่ใช่อํานาจของอํานาจของธรรมะนี่มันจะดูตัวกิเลส แต่ตัวที่จะไปทําให้เราดูตัวกิเลสได้น่ะคือสติกับสมาธิสติกับสมาธิที่จะดูได้เนี่ยมันมาจากการฝึกฝนและอบรมอย่างที่พวกเราฝึกเนี่ยนะสติสมาธิที่มันตั้งอยู่บนอุเบกขาที่มันอยู่ก็รู้ได้ตั้งอยู่บนอุเบกขาที่เราเดินออกมาจากการบริกรรมออกมาจากการจากอารมณ์ที่เรากําหนดรู้มาแต่ต้นจิตจะต้องมีประสบการณ์แบบนี้พระรัตท่านได้มีอย่างนี้คือเรามีอย่างนี้แล้วเราได้อย่างนี้แล้วบ่อยบ่อยบ่อย่อเวลาเราอยู่ชีวิตจริง สมมติเาข้าห้างมนุษย์ชอบวีนนะขึ้นไปห้างไปไปเจอเคทเชียไปซื้อของต้องเข้าคิวเฮ้ยช้าไม่ได้ดังใจใช่ไหมไปไงดูงทันทีเลยนะดูความหุดหิดปฏิฆะที่มันเกิดขึ้นว่ามันมาแล้วแต่ทาไปดูไอ้แคทเชียไปดูไอ้คนที่มันเข้าแถวไอ้ดูไอ้ป้าคนนั้นป้าคนหนึง่ง ถือกระเป๋ามาห้าใบลวงใบนี้เอา้าไม่มีมีแบงค์พันไม่เอามปหารวงแบงค์ห้าร้อยาที่ที่เขาจะได้ไม่ต้องทอนจ่ายพอดีนี่เรายืนรอยอยู่ข้างหลังใช่ไหมเป็นไงอ่ะรู้สึกใช่ไหมนี่คือชีวิตจริงต้องกันกันดูตรงที่ตัวที่มันเกิดคือตัวกิเลสอย่าไปดูป้าอย่าไปดูอาม่าเข้าใจปะ ถ้าดูป้ า, าดูป้ามันไม่ได้ใช้ธรรมะไอ้นั่นเขาเป็นเหยื่อของกิเลสกิเลสเกิดที่จิตเราต้องเอาธรรมะมาตั้นกั้นตัดตรงนี้ตัดปึกตัดตัดตัดตั ด, ตดขดสยกลงไปถ้ามันทําไม่ได้แล้วโอ้โหมันมันยั่วยวนเหลือเกินทําไม่ได้แล้วทําไงฮะเออใช้วิชาเต่า อ, อีกพระเจ้าสอนไปแล้วฮะพระเจ้าสอนไว้โอ้ยสุด สุดยอดมากใช้วิชาเต่าส่งจิตเข้าไปอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าให้ลึกให้สุดให้ยาวแล้วบอกกับตัวเองว่าจะรู้สึกกับลมหายใจไหลออกแล้วก็ปล่อยลมหายใจไหลออกมาแล้วจิตเกาะลมหายใจมาอยู่กับลมหายใจไปอยู่กับลมหายใจไปสองสามคู่แค่นั้นนะมันจะสกปกคือไอพวกนี้ถ้าเราไม่พยายามอยู่ในอำนาจมัน่ะมันก็แพ้มันแพ้ เนี่ยเราจะต้องเอาผลพวงจากการที่เราฝึกเนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงของเราถ้าเราไปใช้ได้เรียกว่าเราเป็นนักภาวนาที่มีศิละปะทางจิตชั้นสูงเลยสมกับที่ว่าเข้าคอร์ดมาสามสิบคอร์อดยี่สิบคอร์ดบางคนไม่ใช่คอร์ดนี้อย่างเดียวนะบางคนหลายสำนักนะฮะบางคนอย่ายว อ, อย่ามาปิดนะ ไปล่อยไปหลายสำนักอะเนี่ยแคดนี่ก็หลายสำนักแล้วเนี่ยนี่ก็หลายเหมือนกันนี่หลายปะ่ะหลายเหมือนกันนี่มันหลายสำนักแล้ได้อะไรอ่ะถ้าปล่อยให้อุศวเกิดอยู่เลยไม่เอา เ, าเราเราต้องไม่เอาอย่างนั้นเราจะต้องเอาสิ่งที่เราฝึกฝนมาเนี่ยไปใช้นี่คือสนามฝึกสนามซ้อมอืเพื่อให้มันเกิดวิชาแล้วไปใช้ในสนามจริงข้าศึกบุกรุกในสนามจริงใช่ไหมเออ การศึกบุกรุกในสนามจริงเราก็ต้องไปใช่อวันนี้ก็อนุมโมทนานะ